ฟังคะเรื่องของครูเหมเวชกรบรมครูด้านนวนิยายผีเรื่องปีศาจของไทยแล้วก็อีกหลายๆเล่มนะคะที่คุณผู้ฟังต่างก็เคยได้อ่านกันมาบ้างแล้วในรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็หาอ่านยากพอสมควรค่ะบีเองก็เลยอาสาขออนุญาตนะะนำคุณผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวบทประพันธ์ของครูเหมเวชกรค่ะซึ่งวันนี้นาเสนอเรื่องภาพปั้นเป็นเหตุ เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านได้เคยอ่านมาแล้วนะคะซึ่งความจริงเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะแต่ว่ามันเกิดแปลกขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นก็คือเรื่องของในมั่นของเรานั่นแหละในมั่นผู้ที่ชอบเจอกับผู้ผีวิญญาณผู้ที่ชอบเจอกับปีศาจนะคะเรื่องราวของครูที่ประพันธ์ไว้มีดังนี้ค่ะมีอีกเรื่องครับท่านผู้อ่านที่เคารพรักความจริงมันก็ไม่แปลก แต่มันเกิดแปลกขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องของในมั่นของเรานั่นแหละครับในมั่นช่างหล่อพระนั่นแหละขาประจำคุยของเราอยู่บ้านขมิน้นแต่เกือบไม่ได้อยู่บ้านส่วนมากมาชุมนุมกันที่วัดระฆังนี่แหละโดยทุกๆคนนี่ก็จะมาชุมนุมกันที่กุติคุณนบเป็นแดนบัดนี้ในมั่นไปรับจ้างเขาหล่อรูปแต่ก็เป็นรูปคนธรรมดาไม่ใช่รูปพระอย่างที่เคยรับจ้างจึงคิดมีเรื่องแปลกขึ้นถึงกับต้องรีบมาเล่าให้เราฟัง เรื่องมันมีอยู่ว่าตระกูลหนึ่งเป็นเศรษฐีเก่าบ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาภากทนบุรีบ้านนั้นเป็นตึกแบบเก่าๆบ้านอยู่ทางจะไปบางยี่ขันโดยท่านเศรษฐีคนนี้ได้สิ้นชีพลงสมบัติทั้งหมดก็ได้แบ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยในวงตระกูลลูกหลานซึ่งสมบัตินั้นมีอยู่มากมายหลายแห่งด้วยกันแต่ว่าตึกแบบเก่าอยู่ชายน้ําที่ว่านี้เนี่ยได้ตกเป็นมรดกของลูกชายคนใหญ่คือคุณอํานาจ และคุณอำนาจผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่มีความกระตันยูในบิดามารดายอย่างเคร่งครัดมีความรู้สึกแก่ตัวเองว่าได้มีทุกๆวันนี้ก็เพราะพ่อแม่จึงคิดจะทำอะไรให้เป็นที่ระลึกเตือนใจไม่ให้เสื่อมคลายลงได้ในเรื่องของความกระตันยูรู้คนนี้ จึงเกิดคิดสร้างภาพปั้นของบิดาขึ้นเพื่อติดตั้งไว้ในบ้านเป็นอนุสาวรีย์ซะเลยจึงได้ตกลงกับช่างปัน้นให้ปั้นภาพบิดาขึ้นโดยเร็วทันใจให้ทันกับเวลาที่ร่างกายของบิดายัางใสลงแล้วก็สวดพระธรรมอยู่ตามกาหนดทุกเจ็ดวันให้รูปปั้นรีบมาแทนตัวจริงที่เน่าไปแล้วชั้นแรกขอให้ปั้นด้วยปูนก่อนแล้วก็จะหลอดด้วยทองแดงคราวหลัง เมื่อลงมือสร้างตึกใหม่ในเวลาเผาศพไปแล้วและภาพปั้นนั้นก็แล้วทันใจที่ตั้งไว้โดยภาพนั้นโตเท่าตัวจริงของบิดานำเข้าตั้งบนฐานตั้งในห้องโถงที่ตั้งศพนั่นเองจึงเกิดมีอาการบูชาด้วยดอกไม้ทูปเทียนต่อรูปปั้นเป็นประจําวันทั้งพวงหรีดและก็ดอกไม้สดไม่เคยขาดมีเพื่อนๆของคุณอานาจพูดเตือนว่าการปั้นรูปปั้นพ่อของตัวเองในสัดส่วนเท่าตัวจริงนี้ ในระยะเวลาที่ศพพ่อยังอยู่กับบ้านนี้เป็นการไม่เหมาะควรจะปั้นเพียงครึ่งตัวเท่านั้นแต่ขนาดนั้นเล่าจะโตเท่าตัวจริงก็ได้เล็กกว่าตัวจริงก็ได้การปั้นเต็มตัวแล้วก็ขนาดเท่าคนจริงๆนี้มันจะทําให้เกิดวันหวาดจะกลายเป็นที่สะเทือนใจไปในทางผีผีสา ง, สางมองไปพบเมื่อไหร่ก็ต้องสะดุ้งสะเทือนทุกครั้งลงท้ายคนจะกลัวแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้ภาพนั้น คุณอำนาจเป็นคนทําอะไรแล้วก็ไม่เคยที่จะถอยหลังก็เลยตอบเพื่อนไปบอกว่าตอนแรกเนี่ยทาไมไม่เตือนซะก่อนมาเตือนตอนนี้เนี่ยก็ขอบใจมากแต่ว่ามันก็ได้ทําอะไรอะไรลงไปแล้วมันก็ต้องล้มเลิกคุณอำนาจถือว่าเป็นนิมิตไม่ดีเป็นคนท้อถอยจะทําสิ่งการใดย่อมไม่สําเร็จแล้วข้อสําคัญเลยภาพนั้นเนี่ยได้รับการสักการะบูชาแล้วจะหยุดเลิกสัมไม่ได้เป็นอันขาด ที่ร้ายที่สุดก็คือเท่ากับทำลายพ่อของตัวเองแม้แต่จะเป็นเพียงภาพจำลองหรืออีกในหนึ่งเกิดจะมากลัวพ่อของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ลูกกระตันยูควรจะทาเมื่อเพื่อนๆได้ยินคุณอำนาจพูดแบบนั้นแล้วก็เลยเลิกเตือนกันไปภาพปั้นก็ยังคงยืนตระหง g a อยู่ในห้องโถงนั้นเรื่อยมาในลักษณะสง่าผ่าเผยของคุณปู่คุณตาคุณพ่อ แล้วก็ในวันต่อมาก็เกิดความผันแปรขึ้นในบ้านนั้นคือแต่เดิมทีเดียวเนี่ยพวกลูกพวกหลานเนี่ยเอาดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาศพกันแล้วก็มกักจะมานั่งเล่นกันอย่างสบายใจในห้องศพคุณปู่แล้วก็คุณตาเพราะถือว่าศพคุณปู่คุณตาอยู่ในโรงนั้นเป็นที่อบอุ่นแก่บ้านแล้วก็ตระกูลนักแต่ครั้นภาพปั้นเข้ามายืนอยู่ในนั้นต่างคนก็เอาดอกไม้ไปบูชาที่ภาพนั้นพนานวันเข้าผู้ที่บูชาก็รีบออกพ้นห้องนั้นไป เพราะว่าทุกคนไม่กล้ามองดูหน้าของภาพนั้นเลยแอบบ่นกันว่าภาพปั้นเนี่ยช่างเหมือนผู้ตายจริงๆเคลคล้ายกับว่าผู้ตายมายืนอยู่จริงๆและหน้าที่เหมือนผู้ตายนั้นแทบจะยิ้มออกมาได้จริงๆด้วยบางคราวนี่ก็คล้ายมองดูผู้ที่เข้าไปในห้องนั้นด้วยดวงตาของคนแท้ๆบางคนเนี่ยถึงกับสะดุง้งแล้วก็รีบหลบสายตาของภาพนั้นโดยเร็วแต่ไม่กล้าจะพูดกันว่าอย่างไรเพราะนั่นคือภาพของคุณพ่อคุณปู่ คุณตาผู้บังเกิดกล้าวแต่เป็นเรื่องน่าประหลาดนักที่คุณอำนาจนี่ไม่เคยพบความวิปริตอย่างที่คนอื่นพบเลยและคนอื่นที่พบแล้วก็ไม่กล้าพูดให้คุณอำนาจฟังเกรงว่าจะเป็นคนอักตันยูมองหน้าผู้มีพระคุณล้นหัวเป็นผีเป็นสางไปครั้นเก็บศพอยู่ได้หนึ่งปีแล้วตามกำหนดคุณอำนาจแล้วก็ภรรยาร่วมด้วยวงญาติทั้งหลายได้จัดงานศพกันไปเป็นที่เรียบร้อย ในห้องนั้นจึงมีเพียงภาพปั้นยืนตระหานอยู่เพียงโดดเดี่ยวเกือบไม่มีใครกล้าเข้าไปข้างในนั้นเลยเพียงเอาดอกไม้เข้าไปบูชาก็ไปหลายคนด้วยกันแล้วก็รีบกลับออกไปหมดคงมีเพียงแค่คุณอำนาจคนเดียวที่ยังคงเข้าออกเป็นปกติเคยไปนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ไปนอนหลับในห้องนั้นเสมอ ต่อมาด้วยความผันแปรได้เป็นไปอย่างใหญ่หลวงคือคุณอํานาจล้มป่วยไม่กี่วันก็รู้ว่าเป็นมะเร็งความจริงเป็นมานานแล้วแต่ว่าคุณอํานาจเนี่ยใจแข็งไม่ยอมอ่อนแอให้ใครเห็นมะเร็งในท้องที่คุณอํานาจทนทานมานานชักจะมีอาการอรารวาดขึ้นหมอบอกเด็ดขาดเลยว่าต้องผ่าตัดมิฉะนั้นไม่มีทางที่จะอยู่ต่อไปได้คุณอํานาจเป็นผู้รอบคอบจึงจัดการทํามรดกไว้ให้กับภรรยาและลูกหลานทุกคน แต่ว่าในมรดกนั้นมีคำเหมือนจะบังคับสาบแช่งไว้บอกว่าถ้าใครรับมรดกไปแล้วได้ทำลายทุกสิ่งที่มีอยู่เก่าก่อนขอให้ผู้ทำลายคนนั้นเนี่ยจงมีอันเป็นไปทันตาเห็นนี่แหละครับเรื่องมันยุ่งในมั่นว่าเมื่อคุณอำนาจไปผ่าตัดนั้นจะเป็นโดยหมอให้ยาสลบมากไปหรือกําลังคุณอานาจไม่พอก็ไม่ทราบได้เลยผ่าตัดแล้วก็เย็บท้องเสร็จแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยตายไปเลย เมื่อไปสวดศพกันที่วัดแล้วก็เก็บศพไว้ที่วัดตามระเบียบทีนี้ทางห้องภาพปั้นสิครับทั้งคุณนายแล้วก็พวกลูกๆขอร้องให้ปิดห้องตายไปเลยไม่มีธุระร้อนจริงๆไม่เปิดเลยแต่ที่บ้านก็กว้างขวางไม่ใช่เหรอคุณนพพูดก็เพียงปิดห้องนี้ตายก็ยังมีที่อยู่อาศัยอีกมากมายไม่ใช่หรอืออย่างนั้นก็ใช่ล่ะครับแต่ว่ามันก็เดือดร้อนอย่างอื่นอีกนะครับในมั่นพูดแล้วก็ทาหน้าแบบเมื่อย เดือดร้อนยังไงล่ะคุณนายนิ่มนวลภรรยาคุณอำนาจเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าลูกชายกับลูกสาวที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นภาพปั้นนั้นเนี่ยเดินไปที่ท่าน้ำออกจากห้องเดินไปด้วยกิริยาแข็งแข็งไปยืนดูฝั่งน้ำอยู่หน่อยนึงแล้วก็เดินกลับเข้าห้องเหมือนเดิม ลูกชายลูกสาวเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าเห็นถนัดตาเลยเพราะว่าแสงไฟที่ยังมีอยู่บ้างแล้วก็คืนนั้นนี่เป็นคืนที่เดือนมีแสงสว่างนิดหน่อยคือเป็นข้างขึ้นพวกเราทุกคนนั่งฟังครูพยุงผมแล้วก็คุณนพยังไม่เชื่อลงไปเด็ดขาดเพราะเราไม่ได้เห็นเองและผู้ที่เห็นก็ยังเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวนักมีความไม่ชอบแล้วก็กลัวอยู่เป็นทุนแล้วตาอาจจะฝาดไปได้ แต่ว่าครั้งนี้คุณนายนิ่มนวลเห็นเองเลยนะครับแกว่าวันนั้นได้ฝนตกตอนใกล้คำ่ำตัวของคุณนายเองก็ยืนอยู่ที่หน้าต่างตึกชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยมีไฟอยู่บ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้สว่างอะไรมากมายคุณนายก็เห็นภาพขาวๆยืนตากฝนอยู่ที่คนต้นจันทร์แกก็เพ่งตามองว่าเอ๊ะใครกันน่ามายืนตากฝนพอฟ้า แ, บแลบๆเท่านั้นแหละก็เห็นได้ชัดว่าเป็นภาพปั้นคุณพ่อมายืนอาบน้าฝนอยู่ แล้วลูกตาของภาพนั้นเนี่ยยังตรงกับตางคุณนายเป๊ะเลยเอา้าวก็เอาการแฮครูพยุงครูภาษาอังกฤษของผมพูดออกมาเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นความจริงการใต้ใหม่ๆของใครก็ตามเขาไม่ปั้นรูปคนคนนั้นให้โตเท่าตัวจริงเลยถ้าโตเท่ายักษ์หรือไม่ก็เล็กกว่าตัวจริงเนี่ยก็พอปั้นได้อยู่หรอกเนาะเพราะวันก็ยังมองได้ว่าเป็นรูปภาพของตุ๊กตาแต่เนี่ยปั้นเท่าคนตัวจริง มันก็จะไปกันใหญ่มันทำให้รู้สึกว่าเป็นผีของคนคนนั้นรูปปั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเจ้าตัวยังไม่ตายมามองดูมันก็น่ารักแต่เมื่อตายลงไปแล้วเนี่ยก็คล้ายกับว่าภาพที่เห็นนั้นคือผู้ตายมายืนอยู่ข้างหน้าเรานี่เองที่ไหนมั่นรับปั้นแล้วก็หล่อภาพนั้นนะ่ะทำยังไงล่ะคุณนพถามคุณนายแกได้รับคาเตือนมาจากใครก็ไม่รู้ครับบอกว่าให้ปั้นสมัยเล็กลงกว่าเดิมแล้วก็เป็นครึ่งตัวให้หล่อเป็นทองแดงไปเลย เมื่อไหร่จะลงมือปั้นละ่ะคุณนพถามผมไม่ได้ปั้นเองหรอกครับผมไปหาช่างที่คุ้นเคยกันแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังว่าจะจ้างเขาปั้นเขาก็พากันไม่รับปั้นครับอ้าวทำไมละ่ะแปลไม่ออกครับพวกศิลปินนี่ลำบากเขาทำอะไรก็มักจะทำตามอารมณ์พอใจก็ทำไม่พอใจก็ไม่ทำเขาพูดสั้นๆว่าเขาไม่ชอบทางานอะไรอะไรที่มีความยุ่งยากมาแต่เดิมชอบทาที่สบายสบายใจเขาก็ว่าอย่างนี้แหละครับ ผมก็เลยหมดปัญญาโอ้ยก็ปั้นซะเองสิหมดเรื่องโอ้โหในมั่นร้องผมปั้นเองหน้าตาก็เป็นพระพุทธไปหมดปั้นรูปเหมือนนะครับไม่เคยเลยปั้นไม่ได้แน่แน่ในมรดกที่มีคํำสาปแช่งไว้ว่าไม่ให้เปลี่ยนแปลงอะไรที่มีอยู่ไม่ใช่หรอคุณนพถามไม่ใช่ครับห้ามทําลายเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเพิ่มเติมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในการสาปแช่งคุณนายก็เลยได้ความคิดให้หล่อภาพใหม่มาแทน อ้าวและภาพเก่าล่ะคุณนพย้อนถามนั่นน่ะสิครับผมไม่ได้ถามคุณนายแกเห็นแกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับผมความจริงนะเรื่องปั้นเรื่องหล่อนี่ก็เถอะผมสมัครใจเมื่อไหร่แต่คุณนายแกก็ยุ่งกับผมจริงๆเกาะหัวเข่าคอร้องกันเลยว่าไม่เห็นใครแล้วแกกลุ้มใจแทบจะเป็นบ้าลูกเต้าอยู่ไม่เป็นสุขหวาดกลัวไปตามๆกันแกก็ขอให้ผมทาเพื่อที่จะแก้อาถรรพ์อย่าให้ผิดคำสาบในมรดก ผมเองก็หมดปัญญาหมดหนทางไม่รู้จะเอาอะไรไปแนะนําแกครั้นหลบหน้าแกไปแกก็ไปตามที่บ้านอยู่เรื่อยๆเอาแล้วนามั่นว่ายังไงบ้างล่ะคุณนพถามโดยเป็นห่วงในฐานะที่เป็นพวกกันก็บอกว่าสิครับลาคาญใจจริงๆที่ผมมาที่เนี่ยก็มาหารือกับท่านว่าจะทําอย่างไรดีเอาละสมมุติว่าปั้นแล้วแล้วก็หลอแล้วจะทําอย่างไรกับภาพเก่าที่ทุกคนไม่ต้องการ แต่จะให้ผมทำลายนะโอผมไม่เล่นด้วยหรอกครับบะไม่น่าจะเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะคุณนกพูดผมน่ยอยากจะนิมนต์ท่านไปคุยกับคุณนายสักหน่อยจะดีทีเดียวเอ๊ะมันเรื่องอะไรของฉันล่ะอยู่ๆสะเออเข้าไปเฉยเลยอ่อเรื่องนี้ผมได้พูดกับคุณนายไว้แล้วครับแกบอกว่าแกจะมาหาคุณนบที่วัดเนี่ยจะนัดกันเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าท่านกับพวกเราอยากจะไปดูรูปปั้นนั้นเล่นบ้างนัดไปที่บ้านก็ได้นะครับ อ, อ่าว นี่แอบไปพูดจากับคุณนายนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ่อครับผมเองก็จนท่าจริงๆคุณนายแกก็จนหนทางพอพูดเรื่องท่านขึ้นแกก็ดีใจก็เลยจะขอพึ่งคาแนะนําจากพระขึ้นมาเอ้มันยากนาการจะไปให้คําแนะนําน่ะไอ้การปั้นใหม่หล่อใหม่นะมันก็ควรและควรอย่างยิ่งทีเดียวจะได้หมดความหวาดกลัวกันแต่ภาพเก่าล่ะเมื่อทําลายภาพเก่าไม่ได้จะไปหล่อใหม่ทําไมให้เสียเงินนั่นนะสิครับ ในมั่นร้องออกมาอย่างขอไปทีซึ่งไม่มีอะไรจะดีกว่าคำนี้ถ้าจะมีทางเลี่ยงกันก็มีทางเดียวคืออัญเชิญภาพเก่าไปอยู่วัดแล้วก็ประดิษฐานไว้ที่นั่นเลยในมั่นออกความเห็นโอ้แต่คงไม่ใช่วัดนี้นะคุณนบรองขึ้นพวกเราก็เลยหากันคลืนในมั่นเองก็อดหัวเราะไม่ได้มันมีปัญหาอยู่นะอะไรๆก็เข้าวัดทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่ทากันง่าย มันมีอยู่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของภาพน่ะมีคุณอะไรกับวัดถึงเอาภาพมาตั้งสร้างวัดเหรอถ้าไม่มีอะไรเลยสักอย่างก็ต้องซื้อที่เขาเพื่อจะตั้งภาพอยู่ๆจะเอาเข้าวัดวัดไหนเขาจะยอมกันละ่ะไอ้ของที่ดีไม่เอาเข้าวัดไอ้ของไม่ต้องการแล้วจะเอามาทิ้งในวัด ม, มันก็ดูกะไรอยู่เอาหมามาปล่อยเงี้ยเอาแมวมาปล่อยอย่างเงี้ามามาอ ย, อย น, นี่จะเอาภาพผีสิงเข้ามาปล่อยอีกละ คนพูดอย่างขบขันแล้วก็หัวเราะครื้นเครลงการพบกันกับคุณนายนิ่มนวลได้ตกลงยกขบวนพวกเราไปกับพระด้วยที่บ้านคุณนายโดยคุณนายจะจัดอาหารเพนให้แก่พระแล้วก็อาหารกลางวันของพวกเราเพราะว่าแกต้องการความช่วยเหลือจริงๆโดยในมั่นได้ไปนัดหมายกันแล้วพอถึงวันนัดเราก็แห่กันไปทั้งโกกเลยคุณนายเองแกก็ออกมาต้อนรับอย่างดีแล้วก็เป็นกันเอง ดีใจที่เราจะให้คําแนะนำแก่เมื่อคนใช้หลายคนได้เปิดประตูหน้าต่างห้องเก็บภาพปั้นสว่างดีแล้วคุณนายก็เชิญเราทุกคนเข้าชมพวกเราเข้าไปกันแล้วก็สิ่งที่สะดุดตาก่อนอื่นก็คือภาพปั้นยืนตระห่นอยู่ด้านหนึ่งของห้องที่เบื้องล่างตอนแท่นที่ยืนอยู่มีดอกไม้แล้วก็มีทูปเทียนอยู่มากมาย คุณนบมองดูภาพปั้นนั้นเฉยอยู่โดยไม่ได้ออกความเห็นแต่อย่างใดส่วนผมนั้นมองดูภาพนั้นแล้วก็ไม่มีความรู้สึกใดๆเพราะว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ที่ตายมาก่อนจึงไม่รู้ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนแต่รู้ว่าช่างปั้นภาพนั้นเก่งจริงๆปั้นได้เหมือนคนจริงๆดูมีชีวิตดูมีวิญญาณเหมือนหายใจได้คุณนายได้จัดเลี้ยงพระที่ห้องนั่งเล่นดื่มน้ําพวกเราก็อยู่กับท่านที่นั่นคนใช้จัดการปิดห้องโถงนั้นเรียบร้อยแล้ว คุณนายได้นั่งคอยดูแลอาหารที่คุณนบฉันอยู่แล้วก็พูดคุยไปด้วยความเห็นของฉันนะก็คือให้คุณนายเนี่ยไปติดต่อทางวัดซะก่อนเพื่อตกลงว่าจะเอาภาพใหญ่นั้นไปประดิษฐานไว้ที่นั่นแต่ก็ควรเป็นวัดราดไม่ใช่วัดหลวงจะได้พูดอะไรง่ายๆหน่อยซื้อที่กับวัดเขาซะตรงที่เราจะตั้งภาพแล้วก็ออกเงินบำรุงวัดซะจานวนหนึ่งก็คงจะสาเร็จง่ายครั้นตกลงทางวัดได้แล้ว ก็ค่อยลงมือสร้างภาพปั้นใหม่แล้วก็หล่อเป็นทองแดงให้เล็กกว่าเดิมเอาแค่ครึ่งตัวก็พอส่วนจะติดตั้งที่ไหนนั้นก็สุดแล้วแต่คุณนายครั้นแล้วก็อัญเชิญภาพเก่าไปที่วัดได้ก็เป็นเวลาติดต่อกันดีด้วยแล้วก็ตรงกับมรดกก็คือภาพเก่ายังคงอยู่เพียงแค่เปลี่ยนที่ไปเท่านั้นเราไม่ได้ทําลายและทางบ้านก็มีภาพใหม่ของท่านแทนที่ก็ไม่มีอะไรผิดร้ายเรียบร้อยดีทุกอย่างคุณนกพูด คุณนายดีใจก้มลงกราบแล้วก็ออกปากขอบคุณที่เห็นช่องทางโปร่งตลอดดีเมื่อคุณนบฉันแล้วคุณนายก็จัดการหาอาหารให้พวกเรามีวิสกี้ให้ดื่มด้วยตามฐานะของแกตัวแกเองก็ร่วมรับประทานอาหารกับเราแบบเป็นกันเองเมื่อเสร็จอาหารแล้วเราก็พูดคุยกันอีกพาคใหญ่แล้วก็ร่ำลากันกลับแล้วก็เฮกันมาที่กุฏิคุณนบอีกคุณนบก็เลยเริ่มออกความเห็นเรื่องภาพปั้นนั้นให้พวกเราฟังภาพปั้นนั้นน่ะ มันมีวิญญาณสิงอยู่จริงๆคุณนพพูดเป็นยังไงบ้างอะครับผมถามเท่าที่ได้เห็นกับตามาแล้วนะวิญญาณเข้าสิงอยู่ในภาพนั้นก็เพราะว่าลูกหลานนั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นยังไงกันนะครับพูดเป็นข้อๆไปเลยได้ไหมครับครูพยุงผู้มีนิสัยครูพูดอย่างกับว่าเป็นตำราภาพนั้นถ้าหากว่าเอาเผาศพไปนานแล้วนะก็ปั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ว่าเนี่ยเขาปั้นขึ้นมาเมื่อศพตายใหม่ๆจิตใจของลูกหลานก็กำลังนุงนางอยู่นี่ทุกคนก็ใจจดใจจ่ออยู่กับผู้ตายทั้งรักทั้งอาลายัยครั้นมามีภาพปั้นที่เหมือนตัวจริงจิตก็เลยยึดเอาภาพนั้นเป็นตัวจริง เพราะว่าร่างกายของผู้ตายตัวจริงเนี่ยไปอยู่ซะในโรงที่ประดับลายทองระยิบระยับมองไม่เห็นอะไรทุกคนเกือบจะไม่สนใจร่างที่อยู่ในโรงกลับมาเพ่งมาเลงเอาที่ภาพปั้นนั้นว่านั่นน่ะคือคุณพ่อคือคุณปู่คือคุณตาต่างก็สักการะบูชากันยกใหญ่ไม่ว่าสิ่งใดเมื่อใจคนหมู่มากไปมั่นหมายเอาว่าเป็นนั่นเป็นนี่สิ่งนั้นก็เกิดตามใจคนหมู่มาก วิญญาณของผู้ตายที่คนทั้งหมดจดจ่ออยู่ก็ระเหิดมาสิงอยู่โดยรวดเร็วไม่ว่าจะดูเวลาใดว่าภาพนั้นอาจจะยิ้มรับหรือกโกรธขึงผู้ที่มองดูได้ทุกอารมณ์ทั้งนี้ก็เกิดจากลูกหลานเอาอารมณ์ตัวเองเนี่ยเข้าไปประกอบกับวิญญาณนั้นๆภาพนั้นจะอยู่เฉยๆได้ยังไงก็ย่อมเคลื่อนไหวได้ตามอารมณ์คนมองตอนแรกๆน่ะต่างคนต่างใจจดใจจ่อทั้งรักทั้งอาลายัยคือไม่อยากให้ตาย ก็อยากจะให้ภาพนั้นกระดิกได้จะดีใจนักครั้นกระดิกได้จริงๆก็เลยกลายเป็นกลัวไปหมดนี่แหละเขาจึงไม่ได้ยมปั้นภาพคนตายเท่าตัวจริงมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวในตอนหลังไงคุณนพแจงเหตุผลออกมาแบบแจ่มแจ้งพวกเราทุกคนก็เห็นจริงถูกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เกิดจากคนสร้างให้ก่อให้เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภาพนั้นไม่ใช่ตุกก๊กตาธรรมดาซะแล้วสิ ครูพยุงพืมพำมเมื่อเราเลิกประชุมกันแล้วในมั่นและครูพยุงก็ลากลับไปส่วนตัวของผมเองก็ยังคงอยู่อาศัยกับพระแล้วก็แยกไปที่ห้องที่พระยกให้อยู่อาศัยนอนพักผ่อนแล้วก็คิดถึงเรื่องภาพปั้นนั้นอยู่คนเดียวต่อจากนั้นเวลาได้ผ่านไปอีกเกือบหนึ่งอาทิตย์ในมั่นก็รีบร้อนมาพบพวกเราที่วัดกันอีกเกิดเรื่องอีกมากมายเลยครับภาพปั้นนั้นนั่นแหละในมั่นเริ่มต้นเมื่อนั่งลงเกิดยังไงล่ะคุณนพถาม ภาพนั้นแหละครับสําแดงเดทเขาอีกแล้วคุณนายแกมาตามผมแล้วก็เล่าให้ผมฟังเมื่อทางผมนี่ยังหาช่างปั้นไม่ได้คุณยุภาวดีลูกสาวของแกที่อยู่มหาลาัยก็รังเอาเพื่อนศิลปินปริญญามาปั้นภาพใหม่ให้พวกคนหนุ่มปริญญาเนะ่ยเขาไม่สนใจอะไรหรอกครับทั้งๆเขาก็รู้เรื่องดีอยู่นะแต่เขาไม่สนใจ เมื่อคุณยุภาวดีขอร้องเขาก็เตรียมดินแล้วก็เครื่องมือมาทีเดียวแล้วก็ลงมือปั้นให้ทันใจขั้นแรกเนี่ยคุณยุภาวดีจะเอาภาพถ่ายให้เป็นแบบแต่ศิลปินนั่นเขาบอกว่าภาพเก่าสวยดีอยู่แล้วเท่ากับตัวจริงเลยขอเอาภาพเก่าเป็นแบบเลยละกันทีนี้อีตอนที่เขาปั้นอยู่คนเดียวเนี่ยคุณยุพาออกจากห้องนั้นไปหาเครื่องดื่มมาให้ในขณะเมื่อเดินนําหน้าคนใช้ที่แบกถาดเครื่องดื่มเข้ามาที่เก่าเห็นศิลปินคนนั้นนี่ก้มหน้าขยําดินอยู่ เธอก็เลยมองดูภาพปั้นที่เป็นแบบแล้วเธอก็ร้องกรีดขึ้นแล้วก็ล้มสลบลงไปทุกคนต่างตกใจการปั้นก็เลยได้หยุดชะงักลงเอแล้วทำยังไงกันล่ะคุณนพถามก็เลิกกันไปเลยครับต่างคนต่างอุ้มคุณยุพาไปหาหมอศิล ป, ปินคนนั้นก็วางมือจากการปั้นตามคุณยุพาไปด้วยความเป็นห่วง ทีนี้เนี่ยเมื่อหมอแก้ไขคุณยุพาให้ฟื้นแล้วแกก็ยังร้องด้วยความกลัวแล้วก็พูดซ้ําๆซ้ําๆกันอยู่เพียงคําเดียวบอกฉันไม่ยุ่งฉันไม่ยุ่งฉันเลิกดูกิริยาเธอก็ยังหวาดเกรงสิ่งที่เห็นถึงกับสลบไปเลยนะครับคุณนายกับหมอก็พยายามถามเธอว่าเห็นอะไรถึงตกใจแบบนั้นแต่เธอเองก็ไม่ได้ยอมพูดอะไรทําไมไม่บอกช่างให้เขาปั้นไซส์เสร็จจะได้หมดเรื่องหมดราวไปซะคุณนบว่าจะไม่อย่างนั้นนะสิ พอคุณยุพาร้องบอกว่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นพ่อนายช่างนั่นเนี่ยก็วางมือซะบ้างนะสิอุบะคุณนบร้องดูมันยุ่งจริงๆเลยเรื่องนี้รุ่งขึ้นนีครับคุณยุพาวดีเธอก็เลยได้เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยเห็นอะไรเออเ อ, อว่าไงว่าไงคุณนบถามแบบติดหมัดคุณยุพาเธอบอกว่าในขณะที่แกมองเข้ามาในห้องครั้งแรกเนี่ยก็เห็นนายช่างเพื่อนเนี่ยกําลังก้มหน้าก้มตาอยู่กับภาพคุณปู่ มีหน้าเคร่งเครียดเสียเห็นฟันแต่ครั้นคุณปู่มองมาทางเธอเข้าคุณปู่ก็เปลี่ยนหน้าเป็นหัวเราะแฉ่งคุณยุพาก็เลยช็อกตอนนั้นแหละครับพวกเราได้ฟังเรื่องถึงกับตาค้างไปเลยแต่คุณนพนั้นนั่งนิ่งเฉยเฉยเอจะเอายังไงกันแน่จะไม่ยอมให้ปั้นหรือว่าคุณปู่หวังจะหยอกหลานสาวเล่นคุณนพพูดคล้ายกับหาเหตุผลของเรื่องที่เกิดขึ้นโอ้ยถ้าปู่หยอกแบบเนี้ยถ้าหยอกเราบ้างก็แย่เลยนะครับ ผมว่านั่นนะสิในมั่นรับเห็นด้วยด้วยคําที่ติดปากว่านั่นนะสินิศิลปินเขาไม่ปั้นต่อหรอคุณนพถามอ๋อรุ่งขึ้นเขาก็ปั้นต่อครับแต่ขอให้คนอยู่เป็นเพื่อนด้วยตกลงศิลปินคนนั้นเขารับหล่อทองแดงด้วยใช่ไหมเขาไม่เอาครับเขาบอกว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีที่จะหลอ่อก็เลยมาเป็นเวรผมต้องรีบหลอ่อแล้วก็เป็นภาพครึ่งตัวแล้วก็เล็กกว่าคนจริงมากถ้าโตเท่าเก่าเนี่ย จ้างกันเงินท่วมหัวก็ไม่ไหวในมั่นพูดพวกเราหัวเราะขบขันในมั่นที่รับงานได้แต่ละชิ้นดูแต่เมื่อไปรับหล่อพระที่ทุ่งนครหลวงได้งานก็ไม่ได้ยังแย่มาอีกซะด้วยซ้ําผมก็พลอยแย่ไปด้วยเลยนี่แบบเขาปั้นเสร็จแล้วเนี่ยในมั่นเอาไปหรือยังละ่ะที่จะทําการหล่อนะเนี่อผมเอาไปแล้วครับถ้าหล่อเสร็จเมื่อไหร่ก็จะได้เอาภาพเก่าไปวัดเออเออหาวัดได้หรือยังลืมถามไปวัดไหนละ่ะ วัดอะไรก็ไม่รู้ครับทางบางบัวทองโน่นคุณนายแกให้ใครไปติดต่อก็ไม่รู้แต่ให้ตายสิคุณเอ้ยคุณนายเนี่ยแกยุ่งกับผมซะจริงตอนจะเอาภาพปั้นเก่าไปไว้วัดแกก็ขอให้ผมนำคุมไปโอ้ไม่ไหวพวกเราหัวเราะกันคึืนใหญ่เห็นเป็นเรื่องแปลกแล้วก็ขันที่นมั่นไปเกี่ยวข้องกับเขาเสมอผมเองเนี่ยก็ว่าจะหาทางหลบเลี่ยงมาอยู่วัดซะบอกทางบ้านว่าไปหัวเมือง ในมั่นและครูพยุงลาคุณนพออกจากวัดไปหาเล่าดื่มกันที่ร้านเจ๊กนอกวัดแล้วก็คุยกันเรื่องภาพปั้นอย่างสนุกสนานตื่นเต้นบ้างหวาดกลัวบ้างดื่มพอตึงหน้าแล้วก็ต่างลาต่างแยกทางกันครูพยุงกับผมไปดูตึกเช่าด้วยกันเพื่อจะตั้งโรงเรียนต่อไปก็ไม่พบกันอีกตั้ง3ามอาทิตกว่าเพราะว่าต่างคนต่างมีธุระของตนในมั่นคงจะทำการหล่อภาพปั้นทองแดงรายนั้นจนวันหนึ่ง ผมกับครูพยุงกำลังนั่งถกเถียงกันเรื่องตึกเช่าที่ไปดูมายังจะเหมาะไม่เหมาะกับเราคุณนบเป็นประธานในเรื่องนี้ก็พอดีว่าในมั่นของเรานี่วิ่งหน้าเริด ม, มาพบเราที่กุฏิคุณนบโอววินาทเลยวินาทเลยในมั่นร้องแต่คำนี้ซ้ำๆตั้งแต่ยังไม่ได้นั่งอะไรกันล่ะพ่อคุณนบร้องถามแล้วก็หัวเราะโอ้ยวุ่นกันใหญ่และไอ้ภาพปั้นนั่นแหละในมั่นตอบยกมือยกไม้ประกอบอลวาสอีกแล้วเหรอ ครูพยุงถามเห็นจะใช่ครับจะเรียกว่าอย่างนั้นก็เห็นจะได้แต่ว่าผมไม่ได้ไปเห็นด้วยตัวเองดอกนะครับคุณนายแกมาหาผมเมื่อเช้านี้เองมันเกิดวุ่นใหญ่แล้ววุ่นอย่างไม่รู้จะแก้ยังไงเชียวให้ตายสิเรื่องการย้ายภาพปั้นตัวเก่านั่นแหละเมื่อผมนําภาพหล่อใหม่ไปให้และผมก็หลบหน้าคุณนายบอกว่ารีบไปธุระหัวเมืองคุณนายแกร้อนใจอยากจะย้ายเอาภาพปั้นเก่าเนี่ยไปวัด เ, ดเร็วก็ไปหาใครไม่รู้มาทําการอัญเชิญบอกเล่า90กับภาพนั้น แล้วก็มอบให้กับพวกที่รับเหมาจีนเนี่ยทำการขนย้ายลงเรือแม้หนักเอาการอยู่ทั้งแท่นแล้วก็ตัวภาพต้องใช้เจ๊กหามสี่คนยังแย่เลยพอหามไปถึงโป๊ะที่ท่าน้ําก็ทํากระดานพาดเพื่อจะเลื่อนภาพนั้นลงเรือต่อแต่ยังไงไม่รู้ครับเชือกที่ผูกเรือ น, นี่หลุดคลื่นเรือไฟกําลังโอนเอ็นไปมากระดานที่พาดก็เลื่อนผิดที่ภาพปั้นนั้นเนี่ยก็เลยหล่นลงน้ํา มีเจ็กเกาะติดไปด้วยจมน้ำไปตั้งนานโผล่ขึ้นมาได้แทบตายพวกรับเหมาก็เลยหน้าจ่อยเลยทำของเขาตกน้ำเราทุกคนตกใจดังว่าสิ่งของนั้นเป็นของเราคุณนบอ้าปากค้างร้องไม่ออกได้แต่ยกมืออย่างโตกตื่นเต้นอะไรเล่ามันจึงเป็นเช่นนั้นเอาแล้วงมหรือเปล่าล่ะคุณนบถามตรงนั้นน้ำลึกเป็นบ้าเลยครับเรือไฟลาใหญ่ๆยังเคยจอดได้ในมันร้อง ตายแล้วว่าคุณนบพูดผมกับคุณนายนี่ไปตามนักประดาน้ำที่คลองบางเกอกน้อยมางมเขาก็มากันสามคนดำหากันตั้งครึ่งค่นวันยังไม่พบเลยป่านนี้ยังงมกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างผมก็เลยหลบมาเนี้ยแหละเพื่อที่จะมาบอกข่าวโอ้ไม่ยอมจะจากไปจากที่เก่าคุณนบพูดเป็นคนห่วงที่จะคุมที่ดินอันเป็นของเก่าอยู่ใต้น้านั่นเองแหมน่ากลัวแฮนี่ ในมันอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะถ้าทางมันไม่เป็นเรื่องหรอกนั่นนะสิในมันรับติดปากออกมาเลยตามที่เคยปากผมจะแอบหลบอยู่ที่วัดนี้ชั่วคราวแล้วครับไม่ไหวอะ่ะถ้าจะอยู่บ้านแกตามมาพบทุกทีแต่เอคุณนายแกเคยรู้ว่าในมันมาหาฉันเสมอนะในมันพลั้งปากพูดไปเมื่อตอนไปดูภาพปั้นกันวันนั้นน่ะจาได้ไหมคุณนพูดขึ้นในมันเบลกตาโพลงเอ๊เอาละสิ จะทำยังไงละทีนี้เอางี้ละกันถ้าแกตามมาหาพบคุณคุณก็บอกว่าไม่เห็นมาก็แล้วกันอา้าวทำไมจะให้พระโกโหกล่ะคุณนบพูดพวกเราก็เลยหัวเราะไปอยู่บ้านครูพยุงก่อนสิคุณนบแนะเออจริงแฮะเอาก็เอาในมั่นรับเอาแบบง่ายๆพวกเราถึงกับเงียบพูดอะไรไม่ออกรู้สึกใจเต้นระทึกฟังเรื่องแล้วรู้สึกว่าบ้านนั้นจะมีอาถันต่อไป ถ้าสร้างตึกสมัยแล้วเอาภาพปั้นใหม่ขึ้นตั้งซะคงจะยังชั่วไปหน่อยป่านนี้ภาพปั้นที่น่ากลัวก็มินอนลืมตาเฝ้าบ้านของตัวอยู่ใต้น้ำนั้นนั่นเองเมื่อไหร่เล่าจะมีใครทำพิธีแก้อาถรรพ์ได้ผมนึกในใจว่ามีใครมาจ้างผมให้ลงไปอาบน้ำตรงนั้นจะเป็นกี่แสนบาทผมก็ไม่เอา นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังในเล่มแม่วันทองค่ะตอนภาพปั้นเป็นเหตุนะคะคุณผู้ฟังสามารถฟังตอนต่อไปได้ในคลิปเก่าๆนะคะลองค้นหาคำว่าคุณปู่อารวาดก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วลค่ะแล้วก็เรื่องราวของบรมครูนิยายผีแห่งประเทศไทยก็คือครูเหมเวชกรขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดกราบขออาภาัยมณะที่นี้ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ